ถ้าเราติดตามข่าวต่างประเทศช่วงนี้เนี่ยจราพบว่ามันมีข่าวประเภทหนึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ก็คือข่าวภัยธรรมชาตินะในประเทศต่างๆอย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมานี่ก็มีแต่ข่าวน้าท่วมท่วมหนักด้วยในหลายประเทศมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่วันที่1 กันยาถึง11กันยาในสิบเอวันเนี่ยมีน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้น8ประเทศเพราะว่าพายุฝนที่รุนแรงาจะเป็นกรีซตุรกีสเปนบราซิลอเมริกาจีนฮ่องกงลาสุกริเบียทิเบียนี่หนักมากนะตอนนี้คนตายไปเนี่ย ค่าปร ะ, ประมาณหมื่นหนึ่งหรืออาจจะถึงสองหมื่นเพราะว่าพายุฝนนี่มันหนักมากน้ำท่วมเขื่อนแตกเขื่อนต้องสองเขื่อนนะแตกคนหนีไม่ทันนะตายไปเป็นหมื่นเนะนี่แค่สิบเ็ดวันนะน้ำท่วมหนักแปดประเทศแล้วที่มันแปลคือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้อนจัดนะ เกิดขึ้นความร้อนในหลายประเทศจนเกิดไฟไหม้ป่าสเปนนี่ก็เพิ่งโดนไฟไหม้ป่าไปนะไม่ไม่กี่อาทิตย์นะตอนนี้เจอน้ําท่วมไปแล้วแคนาดานี่ไฟไหม้ป่ายังไม่เลิกเลยมันร้อนมากมันร้อนเพราะมันแห้งแห้งจัดแต่ตอนนี้นี่กลับนะชุ่มชื้นหนักเลย นี่คือแนวโน้มนะที่จะเกิดขึ้นนะกับประเทศต่างๆทั่วโลกทำไห้ร้อนจัดก็ฝนตกหนักพายุพัดกระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยๆอยังไม่นับนะน้ำทะเลขึ้นสูงนะรวมทั้งอาหารที่เริ่มจะผลิตได้น้อยลง เพราะว่าความแห้งแล้งหรือเพราะน้ำท่วมหรือเพราะว่าสัตว์ที่เป็นมแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรเนี่ยมันที่ทำให้เกิดอาหารขึ้นมามันก็ค่อยค่อยสูญพันธุ์กันไปเพราะนั้นเนี่ยไอ้วิกฤตธรรมชาตินี่นะกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทั่วโลกนี่กำลังประเชิญ เมืองไทยเราก็เหมือนกันนะหนีไม่พ้นนะเพราะมันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ด้วยเพราะว่าความร่วมมือของประเทศต่างๆทั่วโลกนี่มันไม่ค่อยพร้อมเพียงเท่าไหร่เพียงแค่ลดการปล่อยก๊าซเซินกระจกเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็ไม่ค่อยขนขวายทั้งมันจริงจัง แถมยังทำลายป่ากันมากขึ้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะรับรู้รับฟังไม่ใช่เพื่อตื่นตกใจแต่เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเวลามันเกิดขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจเพราะถ้ายิ่งตื่นตระหนกตกใจก็ยิ่งสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้อะไรที่เรารู้ล่วงหน้า มันก็ช่วยทำให้เราเผื่อใจไว้ถึงเวลามันเกิดขึ้นเต็มๆก็จะได้ไม่โอดครวญโวยวายอะไรที่แก้ได้ก็แก้อะไรที่ยังแก้ได้ไม่ทันการก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นแต่แค่ยอมรับหรือทําใจมันยังไม่พอนะต้องทําอะไรมากกว่า น, นั้นเช่นเกิดความไม่ประมาทค้นควา้า ในการทำสิ่งที่ควรทำเสียแต่เดี๋ยวนี้นะตาได้เที่ยงมีโอกาสทำอยู่พู้เจ้านี่เคยจัดไว้นะว่ามีอนาคตภัย5ประการอนาคตภัยเนี่ยคือภายในอนาคตเนี่ยข้อแรกคือว่าความแก่ชราความเจ็บป่วย แล้วก็ข้าวยากหมากแพงผู้จัดตัดนี่เพื่ออะไรนะตัดเพื่อให้เกิดความขนขวายทําความเพียรในขณะที่อนาคตภัยยังไม่เกิดหรือยังไม่รุนแรงเช่นพงตด ว, ว่าเนี่ยตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวแต่ต่อไปเราก็จะแก่ชราไม่มีเรื่องไม่มีแรงถึงตอนนั้นก็จะทําความเพียรลําบาก ประพฤติ ธ, ธรรมได้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นขณะที่ยังหนุ่มยังสาวก็ให้เร่งนะทําความเพียรประพฤติ ธ, ธรรมเอาไว้ข้อ2เนี่ยในการที่เรายังมีสุขภาพดีอาภาษณ์น้อยให้ตระหนักว่าวันหน้านี้เราจะเจ็บป่วยมีอาภาษมากถึงตอนนั้นก็จะทําความเพียรปฏิบัติทําลําบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เจ็บไม่ป่วย ก็ให้รีบทำซะข้อ 3... เนี่ยตอนนี้ข้าวปลายัางบริบูรณ์แต่วันหน้านี่อาจจะเกิดเข้าอย่างหมากแพงถึงตอนนั้นก็ปฏิบัติทำหรือทำความเพียรลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะที่ยังมีอาหารบริบูรณ์ก็ให้รีบทำความเพียรข้อ3มเนี่ยเนี่ยมันมาใช้ได้นะ กับสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ในบางสมัยเนี่ยผู้คนอาจจะไม่เจอเข้าอย่างหมากแพงเลยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากเพราะภัยธรรมชาติกำลังรุนแรงอาหารก็จะขาดแคลนหรือราคาแพงอันนี้มันไม่ใช่เป็น สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแน่หรือที่ว่าเมื่อไหรนั่นเนี่ยคือนาคตัยนะที่พระเจ้าเตือนอไว้แล้วพระเจ้าเตือนเพื่อให้สานึกจะได้ในยามที่มันยังไม่รุนแรงยังไม่เกิดขึ้นก็รีบฉ่วยโอกาสนะทำความเพียร น, นะปฏิบัติทำให้เต็มที่ทนักปฏิบัติธรรมนี่หลวงพ่อเขียนว่าต้องเป็นนักช่วยโอกาสนะ ช่วอากาศขณะที่ยังหนุ่มยังสาวช่วอากาศขณะที่ยังไม่เจ็บไม่ปว่วยช่วอากาศขณะที่ยังมีข้าวปลาอาหารมีเล บ, บุหรือว่าภัยหรื อ, รอธรรมชาติก็ยังดีอยู่ที่จริงมันก็ไม่ได้ดีมากนะอากาศก็เต็มไปด้วยมลภาวะพีเอ็นี่ก็เป็นปัญหาใหม่น้ําก็เริ่มขาดแคลนแต่ยังทําอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องพวกภัยธรรมชาติวิกฤตโลกร้อนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ ไม่ประมาทรีบใช้อโอกาสขณะที่ยังทําอะไรได้อย่างตอนนี้เนี่ยฝนบ้านเราตกเนี่ยนะจริงแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่สะดวกสบายนะแต่ว่าเทียบกับลิบเบียทเทียบกับหลายประเทศตอนนี้โอ้มันผิดกไกลเลยนะแต่ต่อไปเราจะเจอหนักกว่านี้ไม่ช้าก็เร็วนี่นเราเล่ถึงอนาคตภัยในโดยพาะในเรื่องเกี่ยวกับ ก้ายากหมากแพงและภัยธรรมชาติเอาไว้จะนํามาพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองก็ดีนะอาจารย์ชาพูดเราเนี่ยก็จะมีบทพิจารณาเรื่องปัญหาปัจจเวกคือความจริงที่ควรพิจารณาเนืองเนืองเนี่ยสี่ข้อแรกเนี่ยผู้จ่ตัดว่า น, นี่ให้เราลึกว่าอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งนั้น4ข้ออันนี้สำคัญมากนะเราทุกคนต้องเจอแต่คนยุคนี้จะต้องเจอข้อที่5หรือระลึก อ, อยู่เสมอนะอีกข้อนหนึ่งคือว่าเราจะต้องเจอวิกฤตธรรมชาตินะอย่างแน่นอนจะลงพ้นจากวิกฤตธรรมชาติไปไม่ได้ เติมข้อนี้ไปด้วยนะเพื่อว่าในแง่หนึ่งอ่ะเราก็ได้เกิดการเตรียมตัวเตรียมใจไว้เหมือนกับเวลาเราแก่เราก็จะไม่ทุกบร้อนมากเพราะเราเผื่อใจไว้แล้วเวลาเราเจ็บปวดเราก็ไม่ตีโพยตีพายมากเพราะเราเผื่อใจไว้แล้วเราเล่าถึงความตายเสมอเพื่อว่าเมื่อถึงเมื่อความตายใกล้เข้ามาเราจะได้ไม่ตีอกชกหัวหรือว่าตื่นตกใจเช่นเดียวกันนะในนี้ นอกจากการพักดพาจากของรักของชอบใจแล้วในการต้องเจอกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนใจอยู่เสมอนะและลึกถึงเอาไว้พอมันเกิดขึ้นก็ได้ไม่คลาครวญโวยวายตีโพยตีพยนะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันจะหนักหนาอยูอย่กับโควิดอีกนะโควิดเนี่ยเราเจอกันมาเต็มๆต็ม แต่มันมีวันหมดวันหยุดวันยุตินะผ่านไปสามปีมันก็ค่อยๆบรนเทาลงแต่ว่าวิกฤตธรรมชาติเนี่ยเมื่อจะเป็นความแห้งแล้งคลื่นความร้อนพายุฝนน้ำท่วมไอ้นี่พวกนี้นี่มันจะไม่มีวันยุติง่ายๆอาจจะยืดยาเป็นเป็นสัตวรัษนะ นั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะถึงเวลามันเกิดขึ้นก็จะทุกข์มากนะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแล้วก็อย่างที่ว่านะเตรียมตัวเตรียมใจไม่พอต้องโชว์อกาศขณะที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือรุนแรงก็ทําความเพียรปฏิบัติทําให้เต็มที่อะไรที่ควรทําก็รีบๆทำซะ ถ, ถึงตอนนั้นถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็จะทําไม่ได้หรือทําไม่สะดวก